มันดิ้นรนสะบัด ต, ตัวไปมาจนพุ่งพงที่เข้าไปกลิ้งอยู่แหลกลานราวกับลูกช้างย่อมย่อมเข้าไปดิ้นอยู่จังหวะนี้เองที่ชายันตั้งตัวติดโดยเหยียบยันกระแง่หินทรงกายไว้ได้กระชากปืนสั้นประจําตัวขนาดจุด44แม็กที่เหลือติดเอวอยู่ออกมาอย่างลนลานขณะที่เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้อันตรายมากที่สุดเพราะร่วงลงมาจากที่มัดมั่นอันหลบซ่อนตัวอยู่ด้านบนขึ้นไป เสียงร้องเออะอะของกยินและเสียงดึงลูกเลื่อนยังดังปนกันอยู่แยกไม่ออกใช้ยันรอชาไม่ได้ไอตัวที่ยังดิ้นอยู่ก็ดิ้นไปไอตัวที่ยังไม่เคยลิ้มรสลูกปืนมา ก, ก่อนก็กระดดตัวละตุบสองตุบออกมาจยากเนินหินสองฝั่งทางอีกมองเห็นเป็นเลาตะคุ่เหมือนจอมปลวกขนาดใหญ่ที่กระโดดได้โคตีอะมึงพร้อมกับอาการสมบุตร ใช้ยันปาดจุดซีซีมักด้วยมือทั้งสองไปยังตัวที่กระโดดทรึบก็มาใกล้เขาที่สุดห่างแค่สองวาเท่านั้นชนิดความเร็วกันระหว่างปลายลิ้นของมันกับนิ้วที่เหนียวไกลของปืนเขาอะไรมันจะเร็วไปกว่ากันไม่ทราบได้แต่เขารู้สึกว่าปืนสั้นในมือระเบิดตูมออกไปพร้อมกับที่ตัวเองก็หัวขมาเซลลุลุนทลาลก็ไปกระทบกับสิ่งหนึง่งชนิดหมุนควางไม่รู้ทิศทาง แต่คราวนี้ไม่ยอมปล่อยปืนให้หลุดเพราะตะครุบกำแน่นไวทั้งสองมือนัดที่สองที่เขายิงมันไปไหนก็ไม่รู้ขณะที่ตัวเองหมุนอยู่นั้นในเชิด า, ากับขยินรู้ดีว่าชายันยิงในขณะที่ตัวเองหมุนหันหน้ามาทางด้านแงหินที่ต่างลบกันอยู่หัวกระสุนกระทบหินที่ทั้งเชิาถาและขยินยึดอยู่แต่กระจายเป็นฝุน่นนัดที่สองนั่น หิงกลับไปทางพักพวกเดียวกันซะแล้วเพียงแต่มันห่างตำแหน่งที่ซ่อนของทั้งสองขึ้นไปวาเสีบนแง่หินเหนือศีสะเท่านั้นใช้ไฟขยินสองตามนายทหารลงไปเสียงตะโกนของเชี่ยถายามนี้ไม่ผิดอะไรกระจีนถูกไฟไหม้บ้านแท่ฟังไม่เป็นภาษาตนเองก็ประทับไร้ฟืนมัน่นเพียงแต่ยังไม่กล้าเนียวไกลออกไปเท่านั้นเพราะยังมองเห็นเป้าหมายไม่ถ น, นัขยินก็รวดเร็ว และเฉียบพลันต่อเหตุการณ์ชนิดไม่เสียแรงที่เคยร่วมเผชิญมาหันตะไยกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจึงแทนที่จะตลีตาลานยิงสเปสะปะทรงเดชรีบหันมาทางทำหน้าที่ฉายไฟให้หนายใหญ่โดยกดลำแสงขนาดแปดท่อนตามร่างของชัยยันลงไปมีซากของไอตัวแรกนอนแองแม้งขวางอยู่และตัวที่สองก็ยังดิน้นพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ในขณะนี้ชายยันนั้นขณะนี้ตัวเขาเอง มองเห็นชัดในสายตาของกระยินและเชษฐาว่ากำลังนอนดิ้นยังสุดฤทธิ์อยู่บนลิ้นของไอตัวมหาภัยลักษณะกึ่งกบกึ่งคางคกตัวนั้นเพียงแต่ว่าตัวมันเองนอนพังภาพขากลางพยายามดึงขาทั้งสี่ด้านที่แผ่วไปให้หดเข้ามาเหมือนจะให้ทรงตัวถนัดแต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้ามากแล้วลิ้นของมันที่แตะติดตัวช ย, ยันได้ก็แลกผลออกมาจากปากคาปากคาง ไม่สามารถจะลากคืนเข้าไปในปากที่หุบสนิทได้คงจะเนื่องมาจากปร า, าสาทบางส่วนถูกทาลายไปแล้วจากกระสุนของชัยันเองร่างของเขากำลังนอนอยู่บนลิ้นเหมือนติดก่าวแล้วชนกับปากของมันที่หุบอยู่พอดีถ้ามันสามารถอ้าปากขึ้นได้ก็แปลว่าชัยันหลุดเข้าไปในปากแนะ่ดูนั่นนยายใครยินโวยกึกก้อง เช่ถาไม่อาจตัดสินใจลั่นไกลปืนได้เพราะในสภาพฉุกระหุกเช่นนี้เขาไม่แน่ใจว่ากระสุนปืนที่ยิงลงไปจะถูกชยันหรือไม่ยิงอัดมันเข้าไปเร็วชยันอัดเข้าไปใ้ลูกตามันอดีตท่านทูตทหารบกร้องในอาการสำลักมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาจะทำได้ในภาวะเช่นนี้ชัยยันกัดฟันแน่น พยายามพลิกตัวเข้าไปใส่ริมฝีปากที่ยันติดอยู่กับตัวเขาขณะ น, นี้จอปากระบอกปืนชิดไปผิวตรงมุมมันพอดีแล้วก็เนียวไกล้รั่วเผาขนเข้าไปอีกสองจนกระเซ็นเลือดและเศษกระจายถูกตัวเต็มไปหมดมันก็หวบลงไปในทันทีนั้นในขณะที่ปากอันหุบสนิททำท่าเหมือนจะอ้าออกกระสุนทั้งสองนัด คราวนี้ทะลุจากริมฝีปากด้านนอกเสยแหกเบอร์ทางออกกลางสีสระพอดีทำให้ประสาททุกส่วนของมันหยุดลงอย่างเฉียบพลันแม้ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทเลือดเย็นก็ตามใช่ยันตั้นใจเนียวยิงต่อไปจนกระทั่งหมดลูกโมงสตีความเยื่อเนื้อตุ่นเหนียวนั่นราวกับยางรถยนต์ได้ยินถนัดแล้วตัวเขาก็พยายามจะพลิกดิน ดึงกายพ้นออกมาจากแผ่นลิ้นที่เต็เมไปด้วยยางเหนียวแน่นนั้นอย่างทุลักษ์ทุเลลักษณะเป็นาการเหมือนดินกระเดวกระเดวโดยไม่ต้องรับคําสั่งอย่างใดเลยขยินกระโดดลงมาจากที่ซ่อนมือยังถือไฟฉายแลน่นหัวขามามเข้ามายังช ย, ยันเพื่อส่งมือไปให้จับแล้วช่วยกันชุดดึงชักเยอ่อกันเต็มเหนียวโบยวายโกลาหลกันไปหมดทั้งสามคน เชิดฐาประกบไฟฉายไว้กับกระโจมมือเตรียมคอยยิงคุ้มกันให้หากมีตัวไหนกระโดดไล้เข้ามาอีกและในขณะนั้นเองพวกลูกหาบที่แต่เดิมถูกสั่งให้เข้าไปหลบพักกันอยู่ในซอกโรงภายในก็พากันร้องถามลั่นไต่กันออกมาเป็นแถวโดยมีนายชวนหัวหน้า น, นำออกมาพวกนั้นพอเห็นเหตุการณ์เข้าก็อุทานกันแซด่ดโอลหม่านกันไปหมดเสียงกระบอกปืนที่พยายามจะประทับจ้องลงไป กระทบกันเองดังโป๊กเป๊กไปหมดเพราะเนื้อที่แคบจำกัดเชษฐาก็สั่งเร็วหรือว่าทุกคนอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวถูกนายทหารกับขยินเข้าทั้งหมดจึงได้แต่ยืนตาค้างช่วยกันใช้ไฟสว่างจ้า น, นายชวนไต่ทางลงไปด้วยอีกคนหนึ่งแล้วก็มาชะงักอยู่ที่ไอตัวซึ่งขยินยิงดิน้นทุรนทุรายอยู่มันกระโดดพลิกความพลิกหงายอยู่ตรงนั้น แล้มีอาการเหมือนจะหล่นลงมาทับหัวหน้าลูกหับสัตว์ไอ้ตัวเนี้อยู่หมัดไปก่อนนะนายชวนร้องบอกขึ้นมาเอาเอาแต่ระวังทิศทางลูกปืนไว้นะหัวหน้าคณะร้องบอกลงไปทันทีหัวหน้าลูกหับซึ่งก็ใจถึงเหมือนกันแหยลำกล้องลูกสองแฟดซึ่งบรรจูลูกโดดไว้เช่นเดียวกันกับของกยินอัดตูม มเข้าไปทั้งสองลำกล้องด้วยกระแททางศีรษะขณะที่มันดิ้นโครงครามเข้ามาใกล้ห่างจากปากกระบอกปืนเพียงแค่สองวามันดิ้นพรวดเข้าไปกระทบโขดหินใหญ่ริมทางแล้วพลิกตะแคงคานิ่งอยู่ตรงนั้นชวนวิ่งลงไปยังขยินและชายัน ที่มารุมมาต้มกันอยู่ที่ปากของเจ้าตัวที่สเสียงขยินบ้องเบ้งเร็วเพื่อช่วยกันฉุดตัวชายันออกมาพอได้แรงนายชวนอีกคนหนึ่งชายันก็หลุดออกมาจากแผ่นลิ้นที่วางแบอยู่กับพื้นนั้นขึ้นมาได้แล้วทั้งสามก็ตะกายไต่ทางสวนกลับขึ้นมาอย่างเร็วที่สุดชนิดไม่คิดชีวิตชายันไม่ลืมที่จะช่วยไรเฟิลของเขาที่ถูกมันเอาลิ้นตวัดดึงตกลงไป และ ว, วางคาอยู่บนแง่หินติดมือขึ้นมาด้วยเมื่อ น, นั้นเองจึงเป็นโอกาสของเชษฐาที่จะออกคำสั่งเฉียบคาดยิงได้ยิงทุกตัวที่เห็นขาดคำของเขาเสียงลูกซองจากพวกลูกหากที่มาประดังกันอยู่บนแง่หินปากโพรงก็ระเบิดสนั่นวันไหวไม่เป็นจังหวะระดมยิงกันลงไปยังเงาตะคุ่ม ฉันชัดบ้างไม่ชัดบ้างอันกระโดดตุบตับตุบปับแผนดินสะเทือนประดังกันออกมายัางทางล่องของสายน้ำไหลแล้วยวกยากอยู่ตามพุ่มพงตลอดจนกองหิงราตรีอันสงนัด ก, ก็สะเทือนไปด้วยการสันววหูดับตับไม่มันเป็นการระดมยิงในระยะใกล้ จยากปืนหลายกระบอกบนชยภูมิที่ได้เปรียบ ก, กว่าหลายตัวที่โผลกไม้เห็นทหลายลื่นคลูดลงไปสิน้นฤทธิ์บ้างก็อ้าปากพัง้าพางัาพางงาอยู่เป็นจังหวะขณะที่เลือดทะลักฟูมราวกระเทถังสีไอ้บ้างที่กระโดดขึ้นมาเกาะเด่นอยู่บนโคตินก็ถูกกระถุนทะลวงประทะตลาาีลังกาไงยลุนหายแวบไปจากสายตา มันมีขนาดใหญ่กว่ากบหรื อ, อคางคกตามปะกะติหลายหมื่นเท่าก็จริงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินกว่าที่จะทานกับกระสุนลูกโดดหรือไรเฟิลได้เพราะกระทบเข้ากระสวนไหนก็เกิดบาดแผลกระจุยที่นั่นของเหลวเมือเม่อขึ้นผสมเลือดกระจายว่อนเป็นฝอยทั่วไปหมดเชฐาสุดตัวพังท่าปล่อยหน้าที่การยิงปะทะสกัดกัน้นหรือการฆ่าแบบล้างผลาญให้เป็นพวกลูกค้า เนาเองส่งมือไปให้ชา ย, ยันแล้วเหนียวดึงขึ้นมาบนแง่หินจนได้ผมกับขยินและนายชวนหลัก ห, กหกทีอ่ใต้แง่หินนั่นก่อนเพราะถึงยังไงก็ไม่บางทางปืนของพักพวกแน่ในตำแหน่งที่อยู่ในระดับและ ใ, ใกล้ๆ ก, กับพักพวกเช่นนี้ต่างหันไปช่องยิงต่อไปขยินนั้นยิงพลางก็ตะโกนสะบดดาเป็นภาษาของคนใบพลางึงจะเกิดความมันเขี้ยวและบ้าเลือดขึ้นมาแล้ว ส่งลูกฟืนให้กูมั่งเอาลูกไรก็ได้เว้ยเสียงอดีตนักเลงโตหล่มชางตะโกนบอกพวกลูกหาบที่ยื้อยู่เหนือสีสา ข, ขึ้นไปชยันนั้นพอเชิฐานดึงตัวขึ้นมาได้พอหอบจนตัวโยนราชสกุลหนุ่มเขย่าตัวไม่เป็นไรนะช ย, ยันไม่เป็นไรนะเขาพยักหน้ายัางอ้าปากอบอยู่ บอกกระท่อนกระแทกลิ้นมันยังก็มีกาวพิเศษราดไว้ทั้งถังนี่ถ้ากยิงกับนายชวนไม่ลงไปช่วยกันช่วยฉันคงหลุดขึ้นมาจากลิ้นมันไม่ได้ทั้งที่มันก็ตายแล้วนะบอกจบเพื่อนร่วมตายซึ่งเกือบจะเข้าไปอยู่ในปา่าหรือท้องของเจ้ายักษ์ก็พลิกตัวหมุนกลับประวัดไรเ ฟ, ฟลิลขึ้นแนบบารวาดลำกล้องค้นหาเป้าหมายต่อไปอย่างดูเดือดเครียดแค้น เขายิงไปยังทุกตำแหน่งสงสัยว่ามันจะพากันบอกหยุดหยุนเศษหินเศษดินถูกกระสุนกระทบในรูกระชายนิดแล้วหัวกระสุนแฉลบเฟียวเฝ้าอื้อึ้งไปหมดตาก็คำรามไปปรางโอ้แพ่เมตตาให้มึงแล้วถ้ามึงไม่รับก็ต้องแพ้ด้ไอ้นี่เอาจิตหายกระเด็นออกมามีเท่าไหร่า หนึ่งอสวิทยุติดเอลเชิดถาอยู่ขณะ น, นี้มีเสียงร้องถามละล่าละลักออกมาจากลำโพงจิว๋วอันเป็นเสียงกระหืดกระหอบตกใจของอนุชาว่าเรียกข้างบนครับเรียกข้างบนก็อะไรขึ้นยิงอะไรกันยิงอะไรกันมันดูเหมือนจะดังซ้ำๆในประโยคนี้และเริ่มดังเรียกถามขึ้นมาตั้งแต่กระสุนนัดแรกระเบิดทาลายความเงียบขึ้นแล้ว ทั้งเชิฐานและชยันยังมัวแต่อยู่ในภาวะฉุกระหุกจึงไม่มีใครพูดวิทยุตอบอนุชาลงไปได้แล้วเสียงกระสุนนัดสุดท้ายก็เงียบหายไปเมื่อไม่ปรากฏว่าจะมีเจ้ากบอสูนตัวไหนโผล่ออกมาให้หินอีกรวมทั้งไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของมันตามพงรกหรือหลืบก้อนหินบงังในละแวกใกล้เคียงนอกจากเสียงกระโดดหนีผลักห่างออกไปทางด้านทา น, น้าตกฝั่งตรงข้าม จากไฟฉายที่ช่วยกันส่องกลาดประมาณเจ็ดแปตัวนอนแผยอยู่ตามเส้นทางที่จะตาขึ้นมาหมอบบ้างหงายทองไตชี้ฟ้าบ้างหรือพิงตะแคงอยู่กางแง่หินบ้างไลระเป็นทิวลงไปยังไม่นักที่ถูกปืนพลัดตกหายลักจากสายตาไปล่นอยู่ตามซอกขินบางกลิ่นไอดินปืนคลุ้มตลบไปหมดทุกคนยังประทับปืนอยู่บนไหล หูคอยเงี้ยสดับรับฟังเสียงไฟฉายยังช่วยกันซองกราบไปรอบๆต่อไปนี้สภาพของมันจะกลายเป็นสัตว์เป้าหมายถูกล่าแล้วถ้ายังมีไอ้ตัวไหนเพลือหัวออกมาอีกร่างอันเป็นเป้าปืนอย่างดีของมันจะถูกฉีกเละไปทีเดียววิทยุเรียกจากอนุชาก็ยังดังถามร้อนรนอยู่ตลอดเวลาเชษารอคอยอยู่อึดใจใหญ่ หลังจากนั้นจิงค่อยๆลดไรเฟิลถอนใจเฮือกสั่งด้วยเสียงที่พยายามระงับความตื่นเต้นกับทุกคนว่าเอาล่ะเชื่อว่ามันคงจะเพ่นหนีไปหมดละแต่ก็ให้ระวังคอยฟังเสียงไว้ก่อนนะอะดับไฟฉายได้แล้วแล้วก็เปิดตรววิทยุที่เน็บเอวขึ้นมาเรียกกลางเรียกนั้นอินครับครับ กำลังรอฟังข่าวอยู่ครับเสียงสวนตอบมาอย่างกระหืดกระหอบเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะร้ายแต่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วละ่ะท่านหัวหน้าพูดกรอกช้าๆลงไปในวิทยุมือถือเมกกี้นะเราถูกฝูงกบหรือคางคกชนิดหนึ่งรู้สึกว่าจะมุ่งมาจากทาน้ำตกฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาโจมตี กว่าจะยิงสกัดกั้นขับไล่ไปได้ก็ฉุกลระหุกกันพอสมควรหึปอบหรือคังคกอะไรกันครับทำไมถึงต้องยิงกันราก็เกิดสงครามอย่างนั้นน่ะนี่ผมกระนานอินตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยนะครับเนี่ยหยุดฟังเสียงปืนอยู่มันดังทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบนัดนะครับเสียงอนุชาอุทานลั่นอย่างประหลาดใจขีดสุดเออ มันไม่ใช่กบหรือคางคกอย่างที่เราเห็นหรอกแล้วก็ไม่ใช่พวกสางหาน้อยอย่างที่ลุงอินเคยเตือนเราด้วยแต่มันน่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งไอ้ตัวย่อมที่สุดมีขนาดรถโฟกเต่าแต่ส่วนมากแล้วขนาดของมันเท่ารถอเมริกันแปดสูบพวกเราแต่ละคนนี่ถ้าพลาดก็เห็นจากคนละคำของมันเท่านั้นะมันมุ่งไต่ขึ้นมาเล่นพี่ใช้ยันแล้วก็ขยินก่อน พวกลูกหาบเลยออกมาช่วยกันยิงสกัดไว้ทั้งหมดมันแห่กันมาสักประมาณยี่สิบตัวเห็นจะได้ตอนนี้เพนหนีไปหมดแล้วทิ้งซากนอนไยทองอยู่ราวๆสักเจ็ดแปดตัวเท่าที่จะส่องไฟเห็นฮึพี่ใหญ่ยังงั้นใช่หรอครับเออจริงหรือไม่จริงแกก็ได้ยินเสียงปืนตะลม่มภูเขาแต่พังอยู่ท่นยั ง, ยงไงจิงเชยันตอบลงไปบ้างด้วยเสียงหอบหอ ฉันเองก็เกิดบจะหลุดเข้าไปอยู่ในทองมาแล้วละ่ะพอต ว, วัดลิ้นแป๊บเดียวทั้งไรเฟิลทั้งคนถูกฉุดหัวกระมังจะลอยเข้าไปในปากมันเลยจะย้อนกลับขึ้นมาจะจะเห็นได้เองอะ่ะครั้งแรกที่เห็นเรายังไม่ยิงก่อนนึกว่าอาจจะเพียงแค่โผล่มาตามทิศทางของมันแล้วก็ผ่านไปปะโธที่ไหนได้ดันเสื้อไต่ขึ้นมาแล้วก็ฉกลิ้นอยู่ฉับฉับฉันดนดึงลงไปก่อนเชษฐาก็เลยต้องยิงเปนคนแรก แล้วมันก็ยกขยงประดังเงินขึ้นมาถ้าไม่ถูกยิงหมอบกระแตกเกลื่อนอยู่นั่นตลอดจนเจ็บเลือดสาดไปหลายตัวพวกมันก็ยังไม่หนีไปไหนหรอกมันดูเราอย่างเหยื่อไม่ได้ดูอย่างมิตรท่าทางแต่ละตัวน่ะซื่อบอริสุทธิ์น่าเอ็นดูมากเสียอย่างเดียวอะเสือกเห็นเราเป็นแมลงตัวเล็กๆที่มันอยากจะได้เป็นอาหารแล้วก็อยากจะแดกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มันพบว่าตัวเล็กกว่ามันหูคุณพระช่ว นล้มีใครเป็นอะไรบ้างล่ะนายทหารคราวนี้เป็นเสียงของหนันอินร้องลิ้นพันกันขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนอกจากฉันคนเดียวล่ะที่บุดบิดไปอย่างที่บอกแล้วชยันตอบพร้อมกระสบุตพืรรมพำเชฐาสั่งการออกไป ท, ทันทีกลางหลวงอินทั้งสองคนอนะระวังตัวให้ดีนะพวกมันจะต้องมีมากล่ะที่บุกเข้าโจมตีเราทางด้านนี้ มันอาจจะคอยดักหรืออาจจะติดตามทั้งสองคนอยู่ก็ได้ ล, ลักษณะมันน่าจะเป็นกบมากกว่าคางคกเพราะผิวเนี่ยมันค่อนข้างจะเกลี้ยงขาหลังยาวกระโดดไกลอาจจะไม่ดูร้ายเกินไปนักแต่มันต้องการหายื่อและบังเอิญขนาด ข, าดของมั น, นใหญ่มากเหลือเกินกว่าตันขึ้นไปถึงสองตันครึ่งหรือราเนั้นถ้ากระโดดแผ่นดินจะสะเทือนได้ยินชัดพอระวังตัวล่วงหน้าได้ ถ้ามันคลานย่องหรือดักซุ่มอยู่ก่อนเนี่ยจะสังเกตยากเพราะมันจะกลืนไปกับก้อนหินเข้าใกล้ในรัศมีลิ้นแลบถึงเมื่อไรแล้วก็เสร็จมันเมื่อนั้นน่ะนี่นอีกครั้งนะระวังตัวจงหนกักแถวที่เธอทั้งสองกำลังเดินตรวจอยู่เนะ่ะเป็นระยะที่มันควรจะไปถึงได้ง่ายได้ยินที่พูดชัดเจนหมดทุกข้อความหรือเปล่าเนี่ยสงสัยหรือไม่ได้ยินตอนไหนให้ถามขึ้นมานะได้ยินครับ แล้วก็เข้าใจทั้งหมดละไม่ต้องห่วงทั้งนี้ครับผมกับลุงอินพอจะเอาตัวรอดได้ตอนนี้ยังไม่รักแค้ระคายอะไรทั้งสิ้นครับเออนั่นแหละระวังไว้ขนาดพวกเราตักหลักอยู่บนนี้ยังเกือบแย่จุดอ่อนคือหัวอันเป็นแหล่งรวมประสาทแต่โดยแท้จริงมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่มีความอดทนอะไรนรักหรอกเราจะเสียเปรียบมันเฉพาะช่วงที่ยาวกว่าเท่านั้นแหละโดยเฉพาะลิ้นที่มีน้ําเมือกเหนียวมาก ขนาดแจ็คเก็ตหนังของชยันน่ะกว่าจะช่วยกันกระชากตัวออกมาให้พ้นลิ้นมันได้เสื้อหนาน า, นายังขาดติดคาลิ้นมาเลยครับครับครับเราจะวังตัวกันไว้ครับแต่ผมไม่เข้าใจเลยลุงอินบอกว่าไม่เคยได้ข่าวกลุ่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอเออนั่นก็แปลว่าสมัยที่ลุงอินเคยผ่านมาแถบนี้แต่ยังไม่เคยเห็นหรือรู้ข่าวมาก่อนและที่มันโผล่มาคืนนี้ เข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากทำนบของแอ่งน้ําตกเหนือหัวเราขึ้นไปมันพังแตกอะไรต่ออะไรมาทลายลงมาถิ่นเดิมของมันอาจจะหนนุอยู่เหนือตําแหน่งที่พักของเราขึ้นไปพอเขื่อนแตกน้ําทะลักมันก็อาจจะถูกน้ําพัดตงมาด้วยก็ได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานนะถิ่นของมันเชื่อแน่ว่าคงจะอยู่แถบน้ําตกตอนกลางเขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณวางน้ําที่เหนือหัวพวกเราขึ้นไปนี่แหละ ไอสัตว์พวกนี้จำสิงอยู่ในถ้ำได้เป็นเวลานานๆพอปลวกออกมาทีก็จะมีแต่ความหิวจับสัตว์ทุกชนิดเท่าที่มันจะจับได้กินเป็นอาหารขนาดเก้งกวางลิงลิงข้างบางชนีรู้สึกว่าจะสบายมันมากมีทั้งสองคนห่างจากที่นี่ลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณสองยห้าสิบถึงสารอยเมตรแะครับ แล้วห่างจากเส้นทางไหลตามปกติของสายน้ำตกสักเท่าไหร่ล่ะอนุชาเงียบไปครู่เดียวเหมือนจะหารือกันหนอินแล้วก็ตอบกลับมาว่าก็ไม่ไกลแล้วครับแค่ไม่เกินสามสี่สิบเมตรเท่านั้นเราเลาะไล่มาเป็นแนวขนานกับสายน้ำตกเส้นปกติเพราะทางน้ำที่ไหลเมื่อครู่ใหญ่เนี่ยมันบ่ายหน้ามาทางนี้ครับเออถ้างั้นก็ยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นนะนะ ถ้ามันอาศัยลอยไปตามน้ำตกมันก็จะถึงแกทั้งสองคนเพียงแค่ไม่เกินห6นาทีเท่านั้นแหละแล้วถ้ามันใช้วิธีกระโดดไปตามพื้นจะยิ่งเร็วกว่านั้นเพราะช่วงกระโดดกะว่าครั้งหนึ่งนะ่ะไปได้ไกลถึงสิบเมตรเป็นอย่างต่ำแต่ก็อย่างที่บอกแล้วอ่ะถ้ามันกระโดดจะได้ยินเสียงแผ่นดินกระเทือนทันหนักทีเดียวจึงใหระวังการหลบซุ่มอยู่ก่อนของมันถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับมันมาก่อนแล้วก็ ทั้งสองคนอาจจะสูญหายไปอย่างชนิดที่พวกเราบนนี้ไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยขอสั่งอีกทีนะให้ใช้ไฟฉายเดินทางได้แล้วทั้งสองคนเพราะลำไฟฉายจะส่องไปได้ไกลกว่าใต้อะตามันไม่สะท้อนแสงนะทำให้สังเกตลำบากมากฝ่ายของอนุชาและนันอินเงียบไปอีกเชถฐารออยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่ได้รับเสียงตอบ ก็ถามลงไปอีกว่าอะว่าไงได้ยินหรือเปล่าได้ยินก็ตอบรับด้วยสิแทนที่จะได้ยินเสียงตอบรับจากอนุชาหฤๅนานอินทุกคนบนแง่หินปากโพรงถ้ำด้านบนก็สะดุ้งโยงคำบรหณ้าสนันวันไหวของไรเฟิลซึ่งแยกไม่ออกว่าเป็นจุดสี่ห้าปดหรือจุดสามเจ็ดห้ากันแน่ที่ดังเปรียง สะท้อนกล้องขึ้นมาแทนคำตอบทิบหายเอาเ้าห้อยแล้วไงชัยันตะโกนอย่างลืมตัวเปรียงแรกที่แผดลั่นไปหมดระ ย, ยะไม่ห่างไกลกันเท่าใดนะักเว้นไปได้แค่เสี้ยววินาทีก็ตามมาเป็นเปรียงที่สองสามแล้วก็สี่ แหวกความเงียบของราตรีอันเพิ่งจะสงบไปได้หยกยกขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ดังขึ้นมาจากด้านล่างพวกเราตายมองไปเหอะนายสองคนนั้นเจอเขาแล้วนายชวนหัวหน้าลูกหาพูพดเสียงกระหืดกระหอบทุกคนบนนั้นไหวตัวขึ้นกันแต่เชษฐายกมือขึ้นเป็นการปราบไว้หยุดไม่มีประโยชน์อะไรหรอก เพราะมันมืดเหลือเกินถ้าเป็นเวลากลางวันนย่ยังพอไหวแต่นี่มันมีอันตรายทุกด้านเราฟังข่าวอยู่บนนี้แหละถึงยังไงฉันก็เชื่อมือทั้งพรานชดแล้วก็ลุงอินและเราก็เตือนล่วงหน้าเขารู้แล้วคำสั่งของเขาทำให้ทุกคนชะงักแต่ก็เต็มไปได้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจยิง่งชายันเรียบวิทยุลงไปเร็วปืนแต่ก็ยังไม่มีสากนได้ แล้วก็ดังอีกตูมหนึ่งเหมือนฟ้าผ่ามาแต่ไกลชยันหดคอแย่เคียวพูดลอดไรฟันเจ้าประคุณขอใหญ่คนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนก็ไปอยู่ในท้องอีกกบนรกนั่นเลยต่อยช่วยกันพาออกมาก็คงไม่หายใจแล้วละ่ะคราวนี้ก็เป็นวินาเทียงการรอคอยชนิดหายใจไม่ทั่วท้องของฝ่ายข้างบนบ้าง ทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่เงี่ยหูพึงไม่อยู่ในฐานะจะทราบเหตุการณ์ทางด้านอนุชาและนานอินได้ทั้งสิ้นรวมทั้งไม่กล้าเดาด้วยต่างหัวใจเต้นแรงด้วยความสั่นระทึกเชื่อถืและชยันได้แต่นึกปลอบใจและท่องอยู่ในใจตลอดเวลาว่าบุคคลทั้งสองที่กําลังเผชิญกับสิ่งอันเลวร้ายนี้คนหนึ่งคือพรานชดประชากรอีกคนหนึ่งคือครูพรานนานอิน ผู้ซึ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆอย่างสามารถเอาตัวรอดมาได้ชนิดพิสูจน์ถึงฝีมือได้อย่างดีมาแล้วเขาทั้งสองย่อมน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ในภาวะเช่นนี้แต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์ที่คนทั้งสองบุกกันลงไปมันต่างกว่าทั้งคณะที่ขึ้นมายึดกันอยู่บนแง่หินบนที่สูงอันเป็นชยภูมิที่ปลอดภัยกวามากนักจึงเป็นสิ่งที่น่าวิตกมากถ้าเป็นเวลากลางวัน มองเห็นอะไรได้กระจางรอบด้านก็จะไม่มีอะไรน่า ก, กังวลเลยสำหรับเจ้ากบใหญ่ประเภทนี้แต่แวราวินาทีที่ผ่านไปสำหรับสภาวะนี้มันดูเหมือนนานนานแสนนานสำหรับฝ่ายที่คอยสดับฟังเสียงดึกมีการยิงขึ้นอีกนักหนึ่งสะเทือนมาตามคลื่นอากาศอันเย็นชื้นกลางดึกซราบทันเทืออเขา แล้วก็อีกนัดหนึ่งดูงเหมือนจะลั่นขึ้นหางจากสองนัดได้ประมาณหนึงนาทีพอกังวานเสียงของไรฟินซึ่งสะท้อนกลับไปกลับมาค่อยๆสาหายเสียงของอนุชาก็บอกขึ้นมาเรียบๆว่าโอเคครับไม่ต้องห่วงครับมีอยู่สามตัวเท่านั้นแหละและเราก็หยุดมันเพียงแค่ตัวลันนัดครับ นี่ถ้าพี่ใหญ่ไม่บอกตื่นลงมาสะ ก, ก่อนมันก็ท่าจะแย่เหมือนกันเพราะเราดูกันไม่ออกจริงๆสีผิวมันกลืนไปกับก้อนหินหมอบดักรออยู่ริมทาง อ, อ, อย่าเพิ่งไว้ใจนะกลางมันอาจจะมีมากกว่านั้นแล้วก็ดักรออยู่ในตำแหน่งที่ทั้งสองคนยังมองไม่เห็นก็ได้เชิดถาตื่นลงไปอย่างเป็นห่วงเต็มที่แต่ก็โล่งใจไปได้เปล่อนนึงครับครับครับกำลังตรวจหาอยู่ครับแต่ในละแวกใกล้ตัวเรานี่ ควาโคโรไปหมดละมันใหญ่จริงๆด้วยครับใหญ่จนดูเหมือนภาพฝันร้ายทําให้หมดสงสัยว่าทําไมพวกพี่ใหญ่ถึงได้ระดมยิงกันเราก็เกิดสงครามอย่างนั้นน้ำมันเข้าโจมตีหรือเปล่าอ่ะชายันถามโดยเร็วลงไปมันยังไม่ทันจะจู่โจมเราทั้งนั้นแหละแค่มอบอยู่ตามทิศทางที่เรากําลังจะบ่ายหน้าลงไปครั้งแรกก็นึกว่าก้อนหินแต่ลุงอินจิตตาก็ดีมากเพราะได้รับการเตือนให้ระวังอยู่ก่อนแล้ว แต่เป็นคนยิงนัดแรกตอุ้มเดียวหงายท้องเลยตัวที่สองและที่สานะ่ะฉันเป็นคนยิงฮะยุยเปราะดีมากมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อดทนอะไรนัดละตัวถ้าถูกบริเวณหัวฮแค่นี้นะเสียงอนุชาตอบขึ้นมาเหมือนยิงลิงหรือข้างสักตัวเท่านั้นไม่ได้แสดงถึงความหวาดหวั่นตกใจอะไรทั้งสิน้นอี่กลางครับผมพี่ใหญ่ พี่คิดว่าเธอกับลุงอินนะ่ะถอยกลับขึ้นมาก่อนจะดีกว่ามะบรรยากาศมันไม่ดีเช่แล้วนี่ทั้งสองคนขืนบุกต่อไปนะ่ะมันเสี่ยงมากเหลือเกินนะกะอิกบนรกพวกเนี้โธ่พี่ใหญ่ครับกรุณาไว้ใจผมกับลุงอินนะครับถึงยังไงกย็ยังรับมือมันไหวนะ่ะสําหรับเจ้าสักดิ์ประเภทนี้ขอเราสองคนตรวจสอบบริเวณห่างลงไปอีกสักนิดเถอะสัญญาว่าจะไม่ให้ไปไกลเกินกว่า1กิโลหรือหนึ่งไม้ ผมน่ะมันร้อนใจเรื่องน้อยนะครับพี่ใหญ่เชฐาถือวิทยุค้างยังสั่งการอะไรไม่ถูกเขาเริ่มคิดถึงการสูญหายไปของน้องสาวขึ้นมาได้อีกภายหลังจากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดแทรกขึ้นมาอันทำให้ลืมไปซะชั่วขณะจิตเ อ, อปล่อยทั้งสองคนลงมาเหอะเชฐาถึงยังไงเขาก็ระวังตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะชยันบอกเสียงต่ๆ เชษฐาจึงยกวิทยุขึ้นอ่ะกลางงั้นก็ขอทราบอีกนิดนะนอกจากเจ้าสามตัวที่ว่ายิงคว่ำไปหมดแล้วอะตอนนี้ได้ยินเสียงกระโดดหรือการเคลื่อนไหวของตัวอื่นอีนอนอกหรือเปล่าล่ะอไม่มีวิแววอีกเลยครับพี่ใหญ่เข้าใจว่ามันไหลตัวเองมาตามทานน้ำตกแค่สามตัวนี่เท่านั้นแหละแล้วเราก็เป็นฝ่ายมองเห็นมันก่อนซะด้วยซ้า ถ้าพี่ใหญ่ไม่ส่งข่าวลงมาก่อนว่ามันเข้าเล่นงานพวกเราทั้งด้านบนผมกับลุงอินถึงจะมองเห็นก็อาจจะไม่ยิงมันก็ได้เพราะนอกจากตัวใหญ่เป็นพิเศษแล้วอื่นๆก็ดูว่าไม่น่าจะมีพิษสงอะไรเออจะไปรู้พิษสง ม, มันก็ต่อเมื่อพลาดท่าถูกลิ้นมันตวัดเอาแกเข้าไปในปากแล้วเท่านั้นแหละกบหาเหวอะไรก็ไม่รู้เสือกมีควัยังกระบเลื่อยเต็ไมไปหมดถ้ ง, งับก็ขาดสองท่อน ถะขยอกลื้นก็หลุดลงท้องมันไปเลยอะวะชัยยันร้องบอกลงไปทางวิทยุปะโธอย่าปอแทกเสียขวัญไปเลยน่าชัยยันเสียแรงเคยผจญกระกดโนเสซ์มาแล้วก็ แ, แค่กบตัวเคืองหนอยเท่านั้นเออก็มันเกือบแดกฉันก็ไปแล้วนะตะกี้เนี่ยอนุชาและนันอินเงียบไปอีกไม่มีการตอบอะไรมา เหมือนไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงให้เสียเวลาเชษฐาจึงชวนเพื่อนของเขาให้นั่งลงและบอกให้พวกลูกหาบที่ออกมาช่วยกันระดมยิงกลับเข้าไปในโพรงถ้ำตามเดิมคงเหลือไว้ก็แต่นายชวนและขยินอีกสองคนเท่านั้นไม่มีอะไรจะทำได้นอกจากรอคอยฟังข่าวรายงานจากฝ่ายที่บุกลงไปซึ่งจักว่าเป็นมือชั้นยอดที่สุดของคณะ เวลาล่วงผ่านไปอย่างเชื่มชา้าบรรยากาศหนักอึ้งและครั้งนี้เชษฐาไม่เป็นฝ่ายเรียกวิทยุลงไปอีกเลยขอรับฟังอย่างเดียวเขานั่งไหลชนกนชันนายชวนหัวหน้าลูกหาดส่วนชายยันเอานั่งนั่งเอาหลังพิงอยู่กับเจ้าขยินเงียบซึมกันไปหมดราวเจ็ดแนาทีต่อมาเสียงของอนุชาก็ดังรัวเร็วออกมาจากลำโพงวิทยุว่า พบห็บเครื่องเวชภัณฑ์ของเราแล้วครับเสียงร้อนรนนั้นปลุกภวังของทุกคนอีกครั้งพบที่ไหนพบยังไงมันขึ้นไปติดคาอยู่บนซุ้มเถาวันครับลักษณะเหมือนกระเช้าบนกอไม้สูงกว่าระดับที่เรายืนอยู่ราสักห้าเมตรอนุชาบอกเสียงลั่นมาอย่างชัดเจนก็เข้าใจว่าคงจะไหลลงมากับกระแสน้าซึ่งขณะนั้นมันไหลบ่ามาในระดับสูง ถึงได้ขึ้นไปติดอยู่บนนั้นน่ะแล้วแล้วน้อยล่ะยังครับยังไม่พบร่องรอยอะไรของน้อยนะครับปรเดี๋ยวนะครับผมจะตรวจดูให้ทั่วบริเวณนี้ตอนนี้ลุงอินปีนขึ้นไปเอาห่อเวชพันุ์ของเราลงมาก่อนแล้วเชษฐาและชยันเริ่มตื่นเต้นและกระสับกระส่ายยิ่งขึ้นแค่ยินฟังไม่รู้เรื่องนายชวนจึงอธิบายมันฟังว่าทั้งพรานชดและนานอิน พบหลักฐานอะไรยังไงบ้างตามที่ได้ยินรายงานจากวิทยุถ้าพบหีบยาแล้วก็น่าจะพบนายหญิงใกล้ๆนั่นด้วยสิเพราะขยินเห็นนายหญิงกอดหีบยาีอตอนที่น้ํามันพัดลงไปมันออกความเห็นเมีาตาดีขึ้นเชษากระชยันไม่พูดอะไรกับขยิงขอยสดับฟังข่าวจากอนุชายอยู่เช่นนั้นแต่นานชวนพูดอ่อยๆกับขยิงว่า เองมันก็คิดง่ายพูดง่ายเกินไปอะคะ่ะยินนายหญิงกอดหีบยาขณะที่น้ําแทงลมาเต็มที่น้ําไหลพัดตั้งนายหญิงกับหีบยาไปด้วยกันก็จริงอะแต่ความแรงของน้ํามันไม่ทําให้นายหญิงจะต้องอยู่ติกับหีบยาตลอดเวลาหรอกเพราะไม่ได้ผูกติดกันไว้นี่วะ่ะหีบยาไปติดอยู่บนพงเถาวันนายหญิงน่าอาจจะถูกพัดไปไกลกว่านั้นแล้วนายหญิงเป็นคนมีเลือดมีเนื้อ น้ำพัดไปกระทบกระแทกกระต้นไม้มั่งแง่หินมัน่งมีอันตรายได้สารพัดไอ้ส่วนหีบยาน่ะมันเพียงแค่ห่อของไม่มีชีวิตมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรหนูขยินนิ่งไปจะบ่นอะไรงำอยู่ในลําคออวบใหญ่ส่วนเชษฐากระชายันก็มีความคิดเช่นเดียวกับหัวหน้าลูกหาบนั่นแหละเพียงแต่ไม่กล้าเอ่ยคําใดออกมาเท่านั้นแล้วคารายงานก็แววขึ้นมาอีก ตอนนี้เราเอาหีบเวชพันธุ์ลงได้แล้วครับเรียบร้อยดีทุกอย่างครับไม่มีอะไรบุบสลายสังเกตดูจากลักษณะของห่อภายนอกที่มัดไว้ด้วยพลาสติกหนาแต่ไม่มีวิแววของน้อยครับเออและลักษณะของป่าตรงนั้นเป็นไงมั่งละ่ะยังอยู่ในสภาพลาดชันครับต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็มีหน่อหินขึ้นอยู่มากมายครับ แล้วมันห่างจากที่นี่ประมาณเท่าไรตรงที่พบผีเวชพันติดกอเถาวัลนะ่ะเราห้ารเมตรครับพี่ใหญ่เอ้ใคร่ใค ล, คลแค่นี้เองทำไมวิทยุเริ่มฟังไม่ชัดแล้วล่ะครับเสียงวิทยุมีคลื่นแทรกมากเหลือเกินครับนีเกือบฟังจับฟันไม่ได้อยู่แล้วมีเสียงสู้ซ่ามันอาจจะมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างมารบกวนทาง ทางด้านผมก็ฟังพี่ใหญ่ไม่สู้จะชัดเจนนะครับอนุชา ต, ตอบมาทางนั้นฟังให้ดีนี่เป็นคำสั่งหยุดการเดินทางได้แล้วแต่ขอให้ปักหลักอยู่ตรงตำแหน่งที่พบหีบเวชพัน์ก่อนรอจนกว่าจะรุ่งเช้าแล้วพวกเราบนนี้จะลงไปสมทบที่นั่นค่อยหารือกันอีกทีว่าจะเอายังไงถ้าได้ยินข้อความโดยตลอดก็ตอบด้วยตอบด้วยนะ ครับครับได้ยินและจับใจความได้โดยตลอดครับพี่ใหญ่ดีมากทั้งสองคนกับลุงอินเลือกหาที่พักบริเวณ น, นั้นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็รออยู่ตรงนั้นแหละนะพอจะอยู่ได้ไหมจนถึงสว่างอะอยู่ได้ครับอยู่ได้ไม่ต้องห่วงครับผมกับลุงอินพอจะก่อไฟจากไม้เปียกน้าพวกนี้ได้แล้วก็มีเชื้อเพลิงเคมีก็มีติดมาด้วยครับเออดี ก่อไฟไว้อย่าอยู่กันในความมืดและเปียกชื้นอย่างนั้นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้ะการพบผีเวชภันก็ต้องจัดว่าเราพอจะได้ร่องรอยบ้างแล้วดีกว่าไม่พบอะไรเลยครับครับครับผมจะรอยอยู่ที่นี่ครับเสียงอนุชารับคำมาท่านหัวหน้าคณะจัดการให้นายชวนกัคขยิน ไต้หวนเข้าไปยังซอกโรงถ้าเพื่อ น, นำเอาเครื่องหลังและหีบสัมภาระจำเป็นส่วนหนึ่งออกมายังบริเวณปากโรงนั้นและจัดการกอร่อไฟจากฐานเคมีขึ้นทันทีเพื่อให้แสงสว่างและช่วยบรรเทาความหนาวเหน็บซึ่งยามนี้รู้สึกเยือกเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจสงกระติกบันดีออกมาแจกจ่ายกันดื่มในระหว่างเขาชายันขยิ่งและนายชวนที่ออกมานั่งคุ้มเชิงกันอยู่ข้างนอก และทางโพรงถ้ำด้านในก็สั่งให้จุดใต้ก่อไฟเคมีขึ้นเช่นกันโดยแยกออกเป็นสองกลุ่มขยินปฏิบัติการอะไรลงไปบางอย่างแสดงถึงความเฉียบแหลมและใช้ความสามารถในความเป็นลูกไพรยอย่างแท้จริงของมันครั้งแรกทั้งเชิฐาและชัยยันมองดูอย่างไม่เข้าใจเห็นมันจุดใต้ขึ้นอันนึงค่อยๆไต่ทางลงไปยังไอ้กบนรกตัวแรกอันอยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งเชิดฐานยิงไหทองอยู่แล้วใช้ดาบเดินป่าจวกเฉาะแวกผิวหนังหน้าท้องของมันเข้าไปเสียงคงมีกระทบหนังและเนื้ออยู่ชัวชัวเหมือนจะผ่าท้องหรือชำแหละหาอะไรสักอย่างเฮ้ยถ้าเองคิดว่านายหญิงจะเข้าไปอยู่ในท้องของไอ้กบเวนน่ะละก็เองนี่มีความคิดที่เป็นอัปมงคลมากนะเสียงนายชวนตะโกนด่าลงไปขยินไม่ตอบ ของจ้วงฟันต่อไปอย่างไม่ยั้งมือแล้วครู่ต่อมามันก็แย่ใต้ที่ถืออยู่ในมือเข้าไปยังบริเวณหน้าท้องของกบยับ ท, ที่มันเปิดหนังออกมาใจเดียวไฟจากใต้ก็ลุกลามติดกับบริเวณหน้าท้องที่มันแหวะออกนั้นลุกสว่างโพล่งส่งควันดำขึ้นในทันทีกลายเป็นจุดของกองไฟที่ไหมลามสว่างขึ้นทุกทีแล้วตัวมันเองก็ไต่ทางกลับขึ้นมา ชี้ลงไปให้ดูไขมันของไอ้กบเวนเต็มหน้าทองเลยนายอดีตนายบ้านลมช้างบอกไขมันสัตว์ทุกชนิดถ้ามีมากๆ ม, มันจะติดไฟดีกว่าฟืนซะอีกนายเป็นเชื้อไฟอย่างดีแล้วก็ลุกอยู่นานเพราะตัวมันโตเมื่อนั้นทุกคนจึงเข้าใจขยินใช้ไขมันอันเหลืองอ้อย มีอยู่มากมายตรงหน้าท้องของไอ้กบยักษ์เป็นเชื้อเพลิงอย่างที่ใครก็คิดไปไม่ถึงมันลุกสว่างราวกับตะเกียงขนาดใหญ่แล้วส่งไอความร้อนแรงขึ้นมาถึงบริเวณที่ทั้งสี่กำลังนั่งพักกันอยู่ในขณะ น, นี้อาจจะมีกลิ่นเหม็นเขียวมาอยู่บ้างแต่ทุกคนอยู่เหนือลมจึงไม่สู้จะรู้สึกอะไรนะเออไอขยิงนนี่ก็ไม่เลวนะ มันมีดีอะไรของมันอย่างที่เราคิดไปไม่ถึงเสมอเหลยชยยันอุทานลั่นออกมาด้วยความพิศวงงงงวยเฉถาตบหลังขยินหนักๆกลาออกมาจากใจจริงว่านี่ขยินเราไม่มีแง่ทายหรือพรานใหญ่ระพินในครั้งนี้ก็จริงแต่เราก็ยังมีเจ้าอยู่ทั้งคนขยินเจ้าเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดคนหนึ่งในคณะของเรานะ่ะ ขยินตอบเสียงเห้าๆมาว่านายพรานใหญ่น่ะสอนขยินไว้แต่หาเชื้อกอ่อไฟที่ไหนไม่ได้ให้หาจากไขมันของสัตว์ถ้ามันมีไขมันมากๆมันจะลุกติดไฟทำกองไฟให้เราได้ขยินแน่ใจว่าไอ้กบใหญ่นี่จะต้องมีไขมันมากแล้วมันก็จริงพอมีดเฉาะผ่านหนังเข้าไปก็เห็นไขมันเหลืองอ้อย ใชมันนะ่ะถึงจะสดสดก็ติดไฟได้ง่ายง่าแล้วก็ให้ความร้อนมากกว่าไฟจากท่อนฟืนซะอีกอย่างสดเอาความร้อนจากมันซะเลยนี่แหละเออวิเศษแต่ระวังหนังของมันนะดีไม่ดีอาจกลายเป็นยาโรมาพวกเรานอนหลับกันไปหมดอย่างหนังคางคกบางชนิดที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วก็ได้ชายันผู้ระแวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างติงขึ้นมา ถ้าเราจะหลับก็หลับเพราะเหนื่อยละเพราะเพลียขยินไม่คิดหรอกไอ้กบยักษ์นี่มันจะมีหนังเป็นพิษอย่างที่นายทหารกลัวหรอกอีกอย่างหนึง่งไอ้กลิ่นเผาไหมจากซากของมันจะไปขับไล่ให้ไอ้พวกที่มันหนีไกลออกไปไม่กล้าวกกลับมาเล่นงานเรากลิ่นควันจากไขมันของมันโชยลงไปทางด้านล่างที่นายชดกับลุงอินอยู่ในขณะนี้ด้วย ก็จะช่วยทั้งสองคนปลอดภัยจากไอ้นรกพวกนี้นะแล้วขยินกับนายชวนก็นั่งหลับนกมีแต่เชษฐาและชยันเท่านั้นที่นั่งอัดบุรีกันอยู่เพื่อรอแสงตะวันไม่มีความง่วงเหงาหานอนหรือความอ่อนเพลียอิดโรยใดๆเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือความห่วงใยในตัวของน้องสาวคนเล็กอันไม่ทราบว่าจะเป็นตายรายดีอยู่ในสภาวะเช่นไรได้ ผ่านไปอีกสิบนาทีชัยันขยับจะ ก, กดคีเรียกวิทยุลงไปยังสองคนเบื้องล่างแต่เชษฐ า, าจับข้อมือไว้เฉยเฉยเหชั ย, ชยันอย่าไปรบกวนอไอ้สองคนนั่นเลยเผื่อเขาจะพักงีบเอาแรงกันมั่งถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็คงจะต้องเรียกขึ้นมาเองแหละชัยันจึงลดวิทยุลงเน็บเอวตามเดิมแล้วปิดเครื่องซะเพื่อสงบ่าน เปิดสแตนบายเตรียมพร้อมที่จะรับฟังไว้เฉพาะของเชษฐาเพียงเครื่องเดียวแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็นั่งชันเขา่าเอามือทั้งสองปุ่มสีสักไว้สีงเชิฐาซึ่งบัตรนี้ลึ้มเยื่อลงเป็นปกติเหมือนจะปลงตกแล้วกล่าวมาแผ่วต่ำว่าเชยันแกหรือฉันหรือทุกคน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 มันก็เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างที่เคยผจนกันมาแล้วนั่นแหละกแกปลอบใจฉันเชทถาและในขณะเดียวกันแกก็พยายามปลอบใจตัวเองด้วยชัยันพึงพำยังอยู่ในลักษณะอาการเดิมมิถ้น้อยเป็นอะไรลงไปในครั้งนี้ฉันจะไม่มีวันให้อภัยระพินเลยที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวการ เจอที่ไหนก็ยิงทิ้งเลยให้ตายฮะเหลียวไหลไร้เหตุผลทุกคนมีกรรมเก่าติดตัวมาทั้งนั้นแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันพิสูจน์ถึงว่าเราเสียทีไอ้มันไรทั้งทั้งที่ไม่ได้ประมาทเลยเลขคนทีดเดทมันเหลื อ, อรายนะกแต่ฉันเชื่อมันอะไรอยู่อย่างหนึง่งแกเชื่ออะไร ชัยยันหลุดออกมาจากลำคอที่แห้งผากทั้งๆ ท, ท, ที่รอบบริเวณเปีกชุ่มไปหมดแม้กระทั่งร่างกายของเขาเองในขนาดนี้ฉันว่าถ้าจะวัดดวงตันแล้วนะระหว่างน้อยกระพินน้อยนะ่ะดวงชะตาแข็งกว่าระพินมากนะักน้อยนะ่ะเปียบเหมือนน้าโชคร้ายภัยพิบัติทั้งหลายนะ่ะมันเปียบเหมือนมีด มีกรีดน้ำไม่เป็นรอยฉันใดเคราะร้ายก็กรีดน้อยไม่เป็นรอยฉันนั้นฉันรู้พื้นฐานดวงกําเนิดของเขามาแต่เล็กแต่น้อยแล้วตลอดจนมันสังเกตมาเรื่อยๆเชื่อน้อยต้องไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น่ะที่เราจะตามพบเขาหรือเขาเป็นฝ่ายตามพบเ่ะเออ นั่นนะมันเป็นความคิดที่พยายามมองในแง่ดีเข้าข้างตัวเองคนเราเนะ่ต่อให้ดวงแข็งสักขนาดไหนถ้าถึงเกณฑ์เคราะจริงๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกปลอดภัยมาได้เก้าสิบเก้าครั้งก็อาจมีครั้งที่ร้อยเป็นครั้งที่อับเฉาที่สุดก็ได้พูดแค่นี้แกคงเข้าใจนะนี่ฉัมาเดินทางมาในครั้งนี้นี่ กลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดของคณะไปเส็จแล้วนะใช่ยันอืฉันยอมรับว่ะน้อยก็เหมือนกับ น, น้องสาวแท้ๆของฉันคนนึงฉันนะไม่สุขขุมเท่าแกแล้วก็ไม่หินเท่ากลางจิตใจก็อ่อนไหววิตกกังวลไปสารพัดนะ่ะถ้าจะมีก็มีแต่ความบ้าดีเดือดเท่านั้นละอีกฝ่ายหนึ่งสารภาพออกมาตามตรงจากใจจริง เดินทางคราวก่อนแกมีความวิตกกังวลแค่ไหนหรือว่าไม่มีเลยโอ้นับหมื่นนับแสนครั้งแล้วมันจะแตกต่างอะไรกันในครั้งนี้ล่ะมันก็แค่หนึ่งในจํานวนหมื่นแสนครั้งที่แกเคยพบมาแล้วเท่านั้นไม่ใช่เหรอขอยรู้ไว้ด้วยนะในระหว่างแกที่อ้างว่าเป็นนักต่อสู้ระจญภัยอกสามศอกกันน้อยนะ หเหตุการณ์ประเภทเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับแกฉันจะเป็นห่วงกังวลซิยิ่งกว่าที่เกิดกันน้อยซะอีกนี่ถามจริงเหอะแกมีความเชื่อมั่นจริงๆแบบที่พูดมาเนี่รู้เพียงแค่พูดปลอบใจฉันปลอบใจตัวเองเท่านั้นวะ่ะเชื่อถาฉันเชื่อมั่นเช่นนั้น แล้วก็พูดกันตรงๆนะชยัตถำไ้าม้ว่าน้อยจะเป็นอะไรไปในครั้งนี้ก็แปลว่ามันถึงอายุไขของเขาแล้วคือเกณฑ์ชะตากำหนดให้มาตายในระหว่างสมศาลติดตามหาผู้ชายที่ตัวเองรักไม่มีอะไรจะมาช่วยได้เลยถ้าลิขิตชีวิตถูกวางไว้อย่างนั้น คำสนทนาโต้อตอบระหว่างทั้งสองชะงักลงอย่างกระทันหันอีกครั้งเสียงกระหึ่มของไรฟินแผดะเปรียงแวกความเงียบขึ้นมาอีกอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้มันดังขึ้นมาจากด้านที่อนุชาและนันอินกำหนดให้หยุดพักการเดินทางลงทุ่านันอเอเฮ้ยอะไรอีกแล้วนั่นช ย, ยันผวาร้องออกมาอย่างประสาทเสีย ในภาวะที่อยู่ในระหว่างแวดล้อมไปด้วยภัยพิบัติแต่ละคนล้วนมีวิตกจริตเป็นทนเดิมอยู่ก่อนแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนอันแสดงถึงการยิงขึ้นอีกแล้วก็เว้นช่วงไปช่วขณะแม้จะเป็นขณะสั้นๆก็ตามฝ่ายที่ไม่ได้ร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงของการยิงนั้นก็ย่อมจะสะดุ้งภาวะครั้งแล้วครั้งเล่า มันไม่ได้เป็นเฉพาเชษฐาชัยยันสองคนเท่านั้นขยิงกับนายชวนก็ตกใจตื่นชนิดพรวดพราดขึ้นมาอีกร้องถามกันแส็ดว่าเสียงปืนรูหูของขยิงฟาดไปนายพร้อมๆกับพวกลูกหาบที่ถูกไล่กลับเข้าไปยังโพรงถ้าที่พักก็ฮือกันออกมาเชษฐานั้นก็ฉงนเต็มที่ไม่น้อยกว่าคนอื่นทุกคน แต่ก็พูดประกาศให้ทั้งหมดอยู่ในความสงบว่าทานชดด้วยลุงอินก็คงจะยิงไอ้กบพวกนั้นนั่นแหละมันอาจจะโผล่มาอีกก็ได้แล้วจะยิงแค่นัดเดียวเว้นห่างออกไปแบบนี้ก็ไม่หน่ากังวลอะไรเพราะเขาอยู่กันสองคนและท่านหัวหน้าคณะก็พยักหน้ากับชัยยันบอกว่าเอาล่ะลองถามลงไปดูสิ ความจริงมีอะไรเขาก็ควรจะรายงานขึ้นไหมเรารู้นะอเล่นเงียบเป็นปิศนาแบบนี้มันไม่ดีเลยชยันบ่นอย่างกระสับกระส่ายควาวิทยุของเชษฐทาที่ยังเปิดเตรียมพร้อมไว้วางอยู่บนหินข้างหน้าขึ้นมากดคีย์เรียกลงไปสั้นๆกลางกลางลูกอินลูกอินไม่มีสัญญาณใดๆตอบมาเลย แม้จะรอฟังกันอยู่ตั้งนานถึงอึดใจเต็มเต็มอยังไงกันนี่เฮ้ยกลางได้ยินก็ตอบมาสิเว้ยคราวนี้ชา ย, ยันแผดเสียงตะโกนลงไปในวิทยุมือถือดังลั่นในขณะเดียวกันเชษฐาก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างคงเงียบไปอย่างน่าคิดเหมือนเดิมถ้าแม้ว่าจะมีสิ่งใดมารบกวนคลื่นวิทยุ ทำให้รับฟังไม่ได้ถนัดก็น่าจะมีสัญญาณกดคีพยายามจะโต้อตอบมาบ้างแต่ม่มีไม่มีอะไรเลยมีก็แต่คลื่นอากาศลั่นอูโครคราบเฉฐาก็ตัดสินใจเฉียบขาดในทันทีนั้นก็ยินเจ้าไปกับฉันและนายทหารชา ย, ยันสามคนแล้วจะลงไปตามพรานชดกะลุงอินเดียวนี่ส่วนนายชวนฟังให้ดีนะ เธอกับลูกหาบทั้งหมดทุกคนรออยู่บนนี้แหละเอาวิทยุไว้เครื่องหนึงคอยเปิดรับฟังไว้แล้วคอยรอคําสั่งจากฉันว่าจะให้ทํำยังไงต่อแต่าจาไว้นะถ้าไม่มีคําสั่งทางวิทยุทุกคนอย่าลงจากหน้าผานี่เป็นอันขาดจนกว่าจะรุ่งสว่างเข้าใจไหมทั้งขยินและนายชวนหัวหน้าลูกหาบรับทราบคําสั่งเขาทันทีโดยไม่ต้องซักซ้อมหรือพูดอะไรกันมาก เชฐดากชายันเตรียมเครื่องหลังเวียงขึ้นไหลเพื่อพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างขยิ่งก็ควายามของตนสะพายนายชวนสั่งลูกน้องให้ออกมานั่งอยู่เวียงยามประจำบนปากช่องโพร่ไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนกันอีกแล้วทั้งสามคนไต่หน้าผาอันเป็นช่องปากทางมุดเข้าซอกถ้ำลงไปในทันที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 โดยให้ขยิมแกะรอยนําไปส่วนเชษฐาและชัยยันกระชับไรเฟิลในท่าที่เตรียมจะใช้งานได้ทุกขณะกระสุนขึ้นลำเพียงแต่เข้าไกลไว้เท่านั้นต่ำลงไปตามลำดับโดยเส้นทางน้าที่ลากลงไปนั้นผ่านซากกบนรกที่ยิงหมอบกระแตอยู่เป็นจุดๆลงไปชัยยันวิทยุเรียกลงไปทุกระยะแต่ก็คงไม่มีสัญญาณตอบอยู่เช่นนั้น สอนฝั่งทางมืดมิดเต็มไปด้วยพุ่มพงของวัชพืชอันขึ้นอยู่ใกล้น้ำพอห่างลงไปเล็กน้อยก็เริ่มพบกระป่าใหญ่สิ่งที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังแจในยามนี้ก็คืออาจจะมีกบใหญ่ตัวไหนรอคอยดักซุ่มจับเดืออยู่ก่อนอีกบ้างรวมทั้งสิ่งอันน่าจะระแวงหวาดอื่นๆซึ่งจะจู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันให้ได้ ชั่วไม่นานของการนำไปอย่างชำนาญของขยิตเสียงอดีตนายบ้านลมช้างก็ชี้มือแล้วบอกอย่างลุกลนว่าโน่นนายเห็นแสงไฟแวมแวมอยู่ข้างหน้านนคงจะเป็นกองไฟที่พรานชดกะลุงอินก่อไว้แหละจริงดังว่าท่ามกลางความมืดของบรรยากาศและความทึบของาตาหินสลับไปกัดลำต้นของไม้ใหญ่ที่ขึ้นเบียดเสียดกันอยู่ มีแสงสว่างวับวั บ, วบแวมแหวมถูกขึ้นมาจากหมู่หินบริเวณหนึ่งแต่ยังไม่เห็นตัวกองไฟชัดนะเชิฐาตะโกนสุดเสียงเรียกกลางแต่ก็ไม่มีเสียงตอบทั้งสามจึงเร่งรุดไปทางลงไปยังตำแหน่งนั้นโดยเร็วสิ่งที่พบครั้งแรกมีกองฟืนจากไม้สุดที่ถูกตัด ออกจากลำต้นขนาดย่อมย่อมวางไก่กันอยู่และมีเปลวไฟลุกติดลักษณะของมันสดๆร้อนๆชนิดที่ไฟเพิ่งจะกินท่อนไม้ตอนปลายเป็นถ่านแดงเท่านั้นเป็นไม้ประเภทที่ชาวบ้านเรียกว่าไม้ขโมยอันมียางอยู่ในลำต้นของมันทำให้ก่อไฟง่ายแม้จะเปียกน้ำก็ตายโดยไม่ต้องเตือนกันเลยทั้งสามคนแยกกันใช้ไฟฉายกราดค้นหาทันที เพื่อตรวจสอบบริเวณเพราะไม่ว่าจะเป็นอนุชาหรือหนานอินไม่ปรากฏว่าอยู่นะักตำแหน่งที่ควรจะอยู่นั่นซะและ้วซึ่งลักษณะอย่างนี้มันบ่งบอกความผิดวิสัยไปในทางไม่เรียบร้อยแน่ยิ่งมาประกอบกับเสียงไร้ฝนที่ทุกคนได้ยินเป็นนัดแรกและการเรียกมาซึ่งไม่ได้รับเสียงตอบสั่ตามลงมาจนถึงที่แล้วก็ยังไม่พบตัวเลยทั้งสองคน ตะโกนเรียก้วยปากก็ไม่ได้ยินเสียงยุ่งส้ำสองข้มาซะแล้วสิสองคนนั้นหายไปไห น, นเกิดอะไรขึ้นวะชัยันอุทานนี่วิทยุของกลางตกอยู่ที่นี่ชัยยันก้มวูบลงไปบนพื้นกรวดบริเวณหนึ่งแล้วหยิบเอาวิทยุมือถือของอนุชาซึ่งวางกลิ้งในลักษณะตกล่นอยู่ตรงนั้นขึ้นมาชัยยันเผ่นข้มาทันที จากการตรวจสอบพบว่ามันปิดสวิตไว้แสดงว่าอยู่ในระหว่างที่เจ้าของยังไม่ประสงค์จะใช้งานขณะที่เกิดเหตุขึ้นท่านหัวหน้าคณะม้มปากแ น, น่พยายามกวาดไฟไปรอบๆขณะนั้นเองขยินผู้ส่องไฟค้นหาไปอีกด้านนึงก็ตะโกนบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่พบซาบของกบยักษ์อันถูกปืนของอดีตพลันชดกระหนานอินหมอกทําภาพอยู่ในพงรกซึ่งหาไม่ยาก เพราะตัวมันโตโดยกระจายกันอยู่ในทิศทางต่างๆรอบบริเวณที่เป็นจุด ก, ก่อไฟจากพื้นอันเป็นดินแดงผสมกับกรวดหยาบเล็กๆพอจะกำหนดเป็นรูปรอยเท้าเหยียบย่ำตรงบริเวณที่ก่อไฟไว้ได้บ้างแต่ก็ไม่ถนัดชัดเจนนะเชษฐาร้องบอกไปทางขยินขยินพยายามหาหีบยาของนายหญิงที่สองคนบอกว่าเก็บลงมาแล้วให้พบนะ มันน่าจะอยู่ใกล้ๆ ก, กองไฟที่สองคนนั่นก่อไว้หน้าในใหญ่ขยินพบต้นไม้ใหญ่ที่ลุงอินบอกว่าปีนขึ้นไปเอาหีบยาลงมาแล้วละ่ะมันอยู่ใกล้ๆกระซ่ า, ก, า ก, กบตัวหนึง่งไม่รอยปีนขึ้นไปเอาลงมาจริงๆด้วยเชิดฐาเต็มไปด้วยความชงนหันไปมองหน้าชายยันซึ่งก็ยืนสำรวจพื้นอึ้งอยู่เหมือนจะใช้ความคิดหนักเพื่อนของเขาพึพมพำออกมาว่า มันก็น่าจะจริงอย่างขยินว่านะก็เมื่อลุงอินเาหีเวชพัล์ลงมาได้แล้วทั้งสองคนมาก่อไฟยอยู่ที่นี่ก็ต้องเอาหีบ พ, พอนั่นมาไว้ข้างๆตัวด้วยสิแต่นี่มันหายไปไหนทั้งหีบยาทั้งสองคนซ้งวิทยุยังตกหล่นอยู่นี่แสดงว่าทั้งสองคนหายไปจากที่นี่อย่างเร่งด่วนฉุกเฉินดีเดียวล่ะท่านหัวหน้าคณะก้าวสวบูสวบสูบส่องไฟาตามพื้นต่อไป โดยบอกให้ชายันและขยินซองตรวจรอบด้านและในแง่ซอกขินเพื่อช่วยกันเพียงแค่สี่ก้าวที่เขาย่างจากที่เดิมเท่านั้นก็เรียกเพื่อนเข้ามาดูบริเวณที่จี้ไฟลงไปเฮ้ยปลอกลูกปืนนี่ชายันร้องเชิาหันไปพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบด้านเท่าที่ไฟฉายสามดวงจะอันวยให้ได้ส่วนชายันค่อยๆก้มลงไปเก็บปลอกกระสุนขึ้นมาพิจารณา แล้วอุทานออกมาว่ากลางเป็นคนยิงวะมันเป็นปลอกจุบสี่ห้าแปดของลุงอินของลุงอินน่ใช้จุบสามเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยิงเมื่อกี้ของกลางแน่นอกจากปลอกกระสุนวิทยุที่ตกมีอื่นๆของทั้งสองคนตกหล่อนอยู่แถวนี้มั้งไหมเนี่ยฮึช่วยดูกันหน่อยสิหัวหน้าคณะถามขึ้น เจตนาจะพูดกับขยินพระใช้ภาษากรีกในเมียในใเข้าวของติดตัวอื่นๆของสองคนคงจะติดตัวไปด้วยเออไปไหนกันนี่ดูทารีบร้อนหรือเกินนัทารีบร้อนอย่างนี้หีบยาของนายหญิงก็ควรจะทิ้งไว้เรื่องอะไรจะแบกไว้น่ะเว้นแต่จะแบกกลับขึ้นไปบนที่พักของพวกเราเหตุผลข อ, ของขยินมีน้ำหนัก เทพาพยายามรวบรวมสติปัญญาและความสุขุมรอบคอบของเขาทั้งหมดเพื่อเดาเหตุการณ์ปริศนาอันแสงจะอ่านหรือเดาได้ยากนี้เขาพบปลอกกระสุนอันหมายถึงว่าอนุชาได้ยิงขึ้นจริงและควรจะเป็นนัดปริศนาล่าสุดนั่นแหละเดิพิจารณาว่าใกล้กองไฟมากที่สุดพิสูจน์ได้ว่าน่าจะเป็นนัดที่ยิงภายหลังกอดไฟเตรียมพักแล้ว แต่ทิศทางการยิงมันไม่มีหลักฐานบอกให้ทราบว่ายิงไปทางไหนและทำไมทั้งสองคนถึงต้องพละออกจากกองไฟอย่างเร่งด่วนหายไปเช่นนี้ปัญหาที่ว่าเรียกวิทยุแล้วไม่ตอบได้ข้อเฉลยแล้วอนุชาทางวิทยุประจำตัวตกไว้ก็คงเนื่องจากความเร่งด่วนฉุกเฉินนั่นแหละใช่ยันไม่ทำตัวเองให้งโง่เซอ่อสูนเปล่าในภาวะเช่นนี้ เขาเริ่มตั้งข้อสมมุติฐานถึงตำแหน่งที่อนุชา ย, ยิงปืนระยะที่ปลอกกระเด็นออกมาเพราะการกระชากลูกเลื่อนซึ่งมันก็ไม่น่าจะห่างไกลาจากจุดยิงเท่าไหร่นะักสำหรับกลไกของไรเฟิลแบบลูกเลื่อนประกอบกระรอยเท้าอันหยียบอยู่สับสนซึ่งคงจะเป็นรอยเท้าของทั้งสองคนนั่นเองแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็เดินสองไฟตรงเข้าไปยังฝั่งขวามือในระหว่างชะงอนหินสองลูก ลูกหนึ่งสูงท่วมศีรษะอีกลูกหนึ่งสูงระดับเอวอยู่ชิดกันทําช่องทางเหมือนประตูพอก้าวเข้าไปถึงก็ส่องไฟพบชายันก็อุทานอะไรออกมาสุดเสียงแท้ฟังไม่เป็นภาษาเชษฐาขยินก็กระโจนพรวดเข้าไปถึงตำแหน่งนั้นสิ่งที่เห็นซากใหญ่โตของไอ้ผีดิบตนหนึง่งนอนคว่ำอยู่ตรงตำแหน่งนั้น คาขวางอยู่ในระหว่างซอกโคถินพอดีมีรอยกระสุนปืนทะลวงผ่านออกมาทางด้านหลังศีรษะอันมีแต่หนังหุ้มกระดูกของมันกระโหลกส่วนหลังด้านนั้นเปิดแหกหายไปชิ้นประมาณเกือบเท่าฝ่ามือมองเห็นขุยดำๆบรรจุอยู่ด้านในและกระจายเป็นผงบ้างเล็กน้อยออกมานอกบาดแผลเพียงแต่ว่าบาดแผลนั้นไม่ได้เป็นลักษณะของบาดแผลที่กระสุนปืนแรงปะทะสูง กระทำต่อสิ่งอันมีชีวิตเท่านั้นแต่เหมือนยิงผ่านต่อไม้ซะมากกว่าเชีถาพยายามถีบไหลมันให้พลิกงายขึ้นเหมือนพลิกขอนไม้จริงดังว่ารอยทางเ ข, ข้าของกระสุนจุดสี่ห้าแปดเจาะเข้ากล า, างหน้าผา ข, ของซากหมื่นปีนพอดีอย่างแม่นยำที่สุดมันน่าจะเป็นซากปั้นหุ่นในนรกมากกว่าที่จะเป็นซากของมนุษยชาติ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตเลือดเนื้อมาก่อนในอดีตอันนานแสนนานแข็งทื่อปราศจากชีวิตกิตใจไม่มีท่าทีว่าจะแสดงอาการขยับเขยืขย่อนเคลื่อนไหวใดๆได้อีกเลยฝันหน้าสองซี่ใหญ่เกือบเท่าหัวแม่มือโผลเพยเอะมีสีหน้ามีสีคล้ำหน้าเกลียดพอๆกับลักษณะรูปร่างและทรงใบหน้าของมัน ถ้ายินนั้นโดยสันดานเดิมที่มักจะกลัวผีเป็นทุนอยู่ก่อนแล้วร้องจ้าอย่างลืมตัวแล้วกระโดดถอยห่างออกไปแต่พอรวบรวมสติได้ก็กระโดดกลับเข้ามาตามเดิมจะอ่านรูปการว่ายังไงเชษฐาชยันถามเสียงแหบต่าอดีตท่านทูตทหารบกรีตาลงสีหน้าคล้ำจนแทบจะออกเขียว ้อนถามกลับมาว่า okay, แล้วแกล่ะเชยันฉันเดาไม่ออกจริงๆร่ะแต่ที่แน่ๆออกมาแล้วก็คือที่กลางยิงมาตะ ก, กี้คือยิงไอ้ผีนรกนี่เองและมันพิสูจน์ได้ในกระสุนลงอาคมทางพระพุทธคุณที่แกกันน้อยทำวิธีให้มาตอนหัวคำ่ำคือถ้ายิงไปกระทบส่วนหนึ่งส่วนใดของไอ้หุ่นยนต์บังคับด้วยมนกาลีชนิดนี้ มันจะหมดสมรรถภาพเคลื่อนไหวนำไปใช้งานไม่ได้อีกถึงได้ทิ้งซากไว้เราเห็นแบบนี้คงลุกขึ้นมาไม่ได้อีกตลอดไปแล้วละ่ะตามที่เราหวังไว้เพราะไม่งั้นกว่าเราจะลงมาถึงมันก็น่าจะลุกขึ้นหนีหลบไปแล้วอย่างที่เราเคยพบเห็นประสบมามก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมละ่ะเข็าเอ่ยแผ่วเบา ของกว่าตาดูรอบๆ อ, อยู่เช่นนี้พยายามอ่านเหตุการณ์ระหว่างที่กลางกะลุงอินก่อไฟเสร็จหยุดพักกันอยู่ที่นั่นเป็นไปได้ไหมว่าเขาเห็นไอ้นรกนี่พยายามเรียบเคียงก็มาใกล้จึงยิงตามที่เราเห็นทราบมันถูกทิ้งคาอยู่นี่เออยังมีเหตุผลอะไรที่ทั้งสองคนนั้นต้องหายไปด้วยล่ะเขายิงไม่เห็นอันตรายกลยเข้ามา แล้วมายิงมันอยู่ไปแล้วก็น่า จ, จะรายงานให้เรารู้แล้วก็ปักหลักอยู่ที่นี่ก็ได้นี่วะชัยยันแยง้งมีอาการมึนงงไปหมดมันอาจจะไม่ได้มาเพียงตัวเดียวก็ได้นี่อาจจะด้อมเข้ามารอบล้อมไว้รอบด้านแล้วก็ผ ล, ลูลับลับล่อให้เห็นพวกกลางยิงไอ้ซากนี้คว่ำลงพวกคงมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นซึ่งยากที่จะทายอาจจะมีการตะลุมบอนถึงตัว สังเกตจากวิทยุที่หลนพลัดอยู่นี่ส่วนเครื่องหลังที่หายไปด้วยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งลุงอินและกลางยังไม่ทันได้ถอดให้พ้นตัวไปในระหว่างนั้นจึงยังติดตัวอยู่ด้วยแล้วอย่างหนึง่งหีบเครื่องเวชภัณฑ์ที่ได้มาแล้วมันก็หายไปด้วยประโยคหลังเชิดากล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเองเอาหลังมือขยี้ปลายคาง จะคิดว่าภาพเหตุการณ์เกินเลยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าจะเด า, เาว่าลุ่ไอผีดิบพวกนี้ทำการล่อหน้าล่อหลังให้ทั้งสองคนต้องระวังตัวเต็มที่เพราะเกิดอาการภาวะพวังแล้วพวกมันตัวใดตัวหนึง่งก็อาจจะจู่เข้ามาคว้าหีบเวชภัณฑ์ไป ร, รู้แน่ว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของเราเมื่อหีบเวชภัณฑ์ถูกไอพวกนรกนี้พานี กลางกระลุงอินก็ต้องตามอย่างกระชั้นชิดแน่นอนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งกลางและลุงอินจะแผลาจากที่นี่ไปในฉับพลันทวดพฟาดจนถึงกระทาวิทยุติ๊กตกทิ้งไว้มันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนทีเดียวแล้วหีบวัชพันธ์ก็หายไปด้วยแบบนี้ในกรณีนี้มีให้คิดไหลแง่เราไม่ได้ยินหรือได้หลักฐานการยิงจากลุงอินเลยเป็นไปได้ไหม ที่ทั้งขีดเวชภัณฑ์แล้วก็ทั้งตัวลุงอินถูกพวกมันหิ้วไปด้วยพร้อมกันซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางก็ต้องตามทันทีแหละแล้วทําไมเราได้ยินเสียงปืนเพียงนัดเดียวถ้าแบบนั้นบางก็ต้องยิงถล่มทันหนัดป่าไปหมดสิการยิงอะมันต้องหมายความว่าเห็นเป้าหมายด้วยถ้ายังเห็นเป้าหมายไม่ถนัด กลางมาันจะยิงทำหมก็คงต้องตามติดไปเรื่อยๆเหตุลึกลับที่เรานึกทายกันอยู่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก่อนหน้าที่เราจะลงมาถึงไม่เกินยี่สิบห้านาทีนี่เองเพราะฉะนั้นกลางก็ยังไม่น่าจะไปไกลาจากเราตรงตำแหน่งนี้นะอะงั้นเอาไงต่ออะบอกเร็วสิชยันเร่งขึ้นตามต่อไปเดี๋ยวนี้ขยิน แก่รอยนำไปไปไนไรเป็นกันประโยคหลังเขาออกคำสั่งกับนายบ้านหลุมช้าง